การทําบุญต้องลงทุนใช้ทุนใช้มากใช้น้อยนี่คือเรื่องการทําบุญแต่การทำํำกุศลไม่ต้องลงทุนแรงอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นเงินทองจนประสาท า, านนะี้บุญกับกุศลเรต้องแยกกันกุศลก็คือฉลาดบุญฉลาดแปลว่าฉลาด ก็แปลว่าเราฝึกที่ให้ตัวเราฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำจึงเรียกว่าูศลอย่างนี้ไปทัาลงทุนไม่วันก็ทำผมทาบริมาทุนไปเยอะแต่ว่าก้ศลเนี่ยทำกันน้อยบางท่านไ้ควมไม่ต้องลงทุนอะไรเมื่อทั้งกุศลน้อยก็แปลว่าอะไรมไม่ฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำสิ่งที่มันทำก็ต้องต่อการรู้ได้ไงว่าฉลาดมันก็เป็นเรื่องยาก แต่ตัวเราสามารถปฏิวัตได้ด้วยตัวของเรวเองว่าที่ไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดยังไงในยกตัวอย่างอครูชาเล็กนึงครูชาสุภทรที่เรารู้จักกันดีท่านเป็นปฏิบัติหน่อยพปฏิพานพูดง่ายเข้าใจง่ายในคลึกซึ้นสามารถที่ปฏิบัติได้ทันทีครั้งหนึ่งบระวมราชการ ทำต้นจนจบเหมือนบิลิมการทั่วไปประเทศเสร็จแล้วแล้วก็ ร, รกาลาถามใครไม่รู้ไม่เข้าใจตรงไหนปู้ก็การถามเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรได้ทุกอย่างมีท่านคนหนึ่งตามคำถามกันว่าทั้นก็ไปเชิญคำถามพู่กันว่าที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดห ดีทุกอย่างใเป็นคุณครูคอยครองเขาบอกว่าเสียอยู่อย่างเดียวเราปลูกเอาละเอาละไอ้ที่ดีทั้งหมดไม่ถามนะเพราะมันดีแล้วไอ้ที่บอกว่าเสียอยู่อย่างเดียวมันเสียอะไรมันจะได้แก้ไขพอคงไม่ยากเพราะเสียอย่างเดียวเองส่วนดีทั้งหมดผมต้อไปแจ้เพวาะดีทั้งหมดแล้วแต่ว่าเสียอย่างเดียวแล้วมันเสียอะไร กาจัดการันวันั้นก็ตอบว่าเสียอย่างเดียวผมทําไม่ได้หมดนาใช่ไหมดูเหมือนเสียอย่างเดียวแต่มันเสียหมดเลยดูมันน้อยมากเสียอย่างเดียวทําไม่ได้นั่นแหละคือมันเสียทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มลงมือเลยเราก็พูดว่ายังไม่ได้ยังทําไม่ได้ยังไม่มีเวลา จะละมัดจเป็นข้ออ้างเหตุผลเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ต่างๆปุ๊บๆเพื่อมันดูดีขึ้นจริงๆมันอ้างอะไรไม่ได้ชี้บอกว่าทําไม่ได้สมมติเราปรับกันที่เพราะว่าท่านทําไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทํำตรางนั้นทําไม่ได้กับไม่ได้ทําคนละเรื่องกันนะทาไม่ได้ ก็คนทําแล้วแต่มันทาไม่ได้แต่ไม่ได้ทํานี่ยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยแต่บอกว่าทําไม่ได้น่าจะประการหลังมากกว่าคือยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยแล้วบอกว่าทําไม่ได้อันนั้นไม่ได้ทําไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทําซึ่งมันก็เราเรื่องกันเรจะนัดคำสองคาคํำง่ายๆคําธรรมดาคำพูดเราก็มัจะมาหาเขาอ่าน เมืม่อสมเด็จสมผลเข้าวัดตัวเราเองโอ้อ่างไปวันๆอ่างไปเรือร่อยมันก็มีว่ า, าทุกวันเย็นนอนออกกันหนาวฝนตกแดดออกเดี๋ยวก่อเช้าพรอบ่ายพรอเช่นก่อเดีว๋พวพรพุ่งนี้ก่อนวันพระหน้าก่อนมันไม่จบก็คือยังไม่ได้ทำดํำ น, นี้อันนี้เราเรียกว่าทำไม่ได้แต่ถ้าเราลงมาทำแล้วมันทําไม่ได้ต้องถามว่าเพราะอะไร ในหลักการในการปฏิบัติเราเลยเบื้องต้นศึกษาก็ต้องศึกษาเรียนรู้ราาก่อนเหมี่เราทำอาหารประกอบวิชาชีพทั้งหลายแหล่ก็ต้องศึกษ า, าต้องมีควาการศึกษามีความรู้ก่อนแล้วถึงจะได้นําสิ่งที่เราศึกษาเรียกวิชาสารพัดวิชาที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเอาไปปฏิบัติคือทํางาน นั้นขั้นตอนอันแรกคือศึกษาภาคปฏิบัติหรือธรรมะก็เช่นเดียวกันเราจะต้องศึกษาตอนแต่การศึกษาธรรมะนั้นก็เช่นเดียวกันคือเราต้องลงต้นลงตอนไม่มีเธอไม่มีค่าเธอไม่มีค่ า, าศึกษาไม่มีค่าหนังสือมีราคาใดๆทั้งสิ้นเป็นการเรียนรู้แบบเปล่าเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่หรือวัตถุเดยียที่มันมีอยู่แล้ ว, ลวเราพรรู้กันเห็นกันอยู่ เราก็รู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบรู้หมดอ่ะแต่กสิ่งอย่างเดียวก็บอกทําได้นะเขาก็ทําไม่ได้อย่างเดียวเพรากมันกสิ่หมดเลยสิ่งที่เรียนรู้แล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างในชีวิตมีอะไรที่เราไม่เรียนรู้ชีวิตนี้มีอะไรที่พระเจ้าตรัสไปแล้วเรายังไม่เคยเจอเลยอย่างเราเคยบกเลยมีไหมศพรู้จักไหม ทุรู้จจ็บมั้เกิดเกเรเจ็บตายมีใครที่ยังไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยนั่นแหละคือประเด็นว่าแล้วทำไมเรารู้เราเห็นอยู่บ่อยๆแต่ทำไมเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ท่านที่เรบอกว่าีฏยะ เพราะการปริยานั้นมันจะไปว่าอ่านหนังสือเขียนจดจําตามหลังมันคนราเรื่องกนันกับทิศตีคนละเรื่องแต่การศึกษาคือเรียนรูน้ทุกวันทุกเรื่องที่ผ่านมางต่างหัวฉลูกเรียนกายใจนี่คือการศึกษาอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราไม่มีการศึกษาสิ่งเหล่านี้ก็มีการเรีรู้เพราะนั่นเป็นต้นที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้นายเป็นต้นที่เราจะต้องใช้ก็คือสัญญาอาศัยสัญญา คือความจำได้หมายรู้ที่มันปานตาง้วงระบบเรียนการใแปลงเรือแปลสัญญาตัวนี้ให้มันเป็นปัญญาให้ได้ถ้ามันเป็นได้แค่สัญญาคือความจำอีกแหละยิ่งจำมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งจามากเท่าไหร่เหมือนกับเชือกพันแข่งพันขาพันตัวเองไปไหนไม่ได้ คิดนอกกรอบไม่ได้คิดนอกจากเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะตําราว่าอย่างนี้เรียนมาอย่างนี้ปฏิบัติกันมาอย่างนี้ทุกเรื่องแก้ไม่ได้อันนี้คือสัญญาเราก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้สุดท้ายออกนอกกรอบไม่ได้ก็ อ, อยู่ในกรอบคิดไปจากนี้ไม่ได้ตาไปจากนี้ไม่ได้นี่คือลักษณะของสัญญาส่วนปัญญามาคนละเรื่อง ปัญญานเกิดจาการรู้แจ้งข้นจริงตามความเป็นจริงคำจริงนั้นเองคือสัจจ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ จ, จับสรู้คือรู้ความจริงคือรู้สัจจ์นั่นเองความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งเลื่อเป็นสิ่งปฏิทันเรียกว่าอาริยะสัจจ์คือยะสัจจ์นั่นเองคือรู้นอกจากนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับประโยชน์ภายหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยใช้เวลาด แต่ถ้ารู้ความจริงแล้วอความจริงมนเป็นตัวตั้งก็ะแก้ปัญหาปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาชีวิตคือคำถามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั่นแหละคือปัญหานั่นคือโจโจ ก, กับปัญหากับเป็นญาติยาตกันพี้ง้องกัน น, นี่แหละแสดงว่ามีปัญหาต้องมีคำตอบคือต้องมีคําเฉลย มีโจก็เช่นเดียวกันต้องมีคําตอบที่ชัดเจนคือคําเฉลยนั่นเองแต่เพเอิญว่าชีวิตเรามันมีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาเรียกว่ปัญหาชีวิตโดยที่เราไม่ได้หาคําตอบให้กับตัวเราเองเลยมันจึงไม่มีคําตอบซึ่งต่างมคำเราเรียนเราเรียนเนี่ยคุณครูตั้งปัญหาตั้งโจทย์ให้เราแล้วก็มีคําตอบก็ขอขมอง A B, b, b, b, b C D ก็ว่ากันไป ในนั้นส้อหาข้อมันต้องมีข้อถูกแนมอนมางทีเขาบอกข้อสุดท้ายงงโูกทุกข้ององผิดทุกข้อในเริ่งมงงละแต่มันก็มีคําตอบในนั้นนั่นก็แปลว่ามีโจทย์มีปัญหาข้อจะต้องมีคําตอบและต้องตอบถูกด้วยนะถ้าตอบนะไปถูกไม่ได้คะแนนครูก็ไม่ให้คะแน น, น, น, นปัญหาชีวิตของเราคืออะไรตั้งแต่เกิดมาจนนัดปัจจุบัน มีปัญหาอะไรบ้างคำตอบง่ายจำไม่ได้ราบปัญหาประเดประดานเข้ามาไม่มีแต่ปัญหามีแต่คําถามเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในจิตและเราไม่มีคําตอบให้เขาเลยไม่มีการให้มันเลยมันให้เป็นจิตของเราแบบนัเพราะปัญหาเราที่มัจึงรุมเราเองเราหาทางออกสารพัดสารพีที่เราเป็นอยู่สารพัดจะเริ่มจําขยัดนิดหน่อยเสร สารพัดเสพที่มาเพื่อจะน้อยคือว่าให้มันหายกลุ่มเหล้ายาปลาป็นสารพัดยาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อมาคลายปัญหาจะเรียกว่ากลุ่มเรีวมีปัญหาที่อะไรก็ได้แต่แต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นการแก้มันเป็นการเพิ่มปัญหาเข้าไปอีกหนักเข้าอีกเพิ่มหนงสองสาสี่หนักเข้าไปเลยเพราะมันไม่ใช่การแก่เพราะมันไม่ใช่คําตอบมันไม่ใช่คําเฉลย เราจึงเดินทางผิดใช้ชีวิตไม่ไดเป็นผิดคิดผิดพูดเผิดทำผิดอย่างนี้เองก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ได้แปลควาคิดอย่างเดียวการใช้ชีวิตเราโดยไม่ถู่ต้องตามมาลองของทางก็ช่วยมิจฉาทิฏฐิจะได้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรเราลืมต้นแบบต้นฉบับบุคคลต้นแบบของเราคือพระพุทธเจ้าวุาิเจ้แค่ปัญหาอย่างไรเราลืม เราก็ได้แบบต่ปฏิญาณตนพุธทธังสรารนังข้าฉามิทำบังสรารนังข้าฉามิสังขังรำนังค้าฉามิอันนี้คือสัญญาณนะมันเป็นความจําเราก็จะจากันอย่างนี้ก็จะพูดกั น, น, นกอย่างนี้ปฏิาาญานตนกันอย่างนี้ทั้งปีทั้งช้ามก็ยินดีอย่างน้อยก็เรียกเป็นการปัญญาณตนในเรื่องที่ดีแต่เน้นมันไม่ใช่สัญญาณนะมันไม่ใช่ปัญญามองมาแล้วปัญญามันก็ได้แค่ความจำจทุกครั้งที่มีศาระพิธีพิธีกรรม เราก็จะเน่างนี้บุตรทางตัมบาสังังปานาติปาตาจะถึงสุราเมงเราก็จะปะิยานตนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในเมืออยู่ข้างนอกไม่เท่าไหร่เราออกไปข้างนอกเนีย่ยชัดเจนเลยอ่าจะไปไวพระสัมม า, าสีติหลวงพ่อจะนํ่ว่าไหว้พรตั้งวง้าอยู่กับาหารกันมาแล้ากอบอามม็บุตรทางตัมบางก็ใจนี้ก็ว่ากัไปพอหัวมั่งบุญไปเซไปเซมาเา้า พนทางจะนั่งกระสานี้นะครับบรรยากาศมันกลุกมาขึ้นหนาวแต่ไม่ทำบ้างซ้ำๆปานาติปตะการรไปพอรับเจ็ดไร่ประเทศก็ออกไปตั้งวงต่อกเห็นไหมมันเป็นพิธีกรรมมันคือสัญญญามันไม่ได้ปัญญาถ้าเป็นต้นไม้พวกนี้มันหลายละเอียดเปลี่ยได้มันเป็นแค่เปลือกเป็นสะเก็ดเป็นกัะพีเป็นอย่างมากมันยังไม่ถือแก่นของมันไม่ถึงแก่นของต้นไม้ ต้นไมไม่ได้อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพวกเกล็ดของกระพี้พวกปลูเที่วมุ้มกันเอาไว้มันเป็นข้อละเอียดปีก ย, ย่อยนีิดหน่อยแต่ว่าตัวที่หล่อเลี้ยงลําต้นให้จเจริญเกิดตสู่ปลายยอดมันคือแกนแกนของต้นไม้ธรรมะเราพูทเจ้าเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันข้อละเอียดปีก ย, ย่อยข้างนอกมันไม่ให้แก่นแก่นคืออะไรคือสาระ คนชีวิตรเราถ้าใช้ชีวิตอยู่แบบเปลือกเปลือกแกกับพี่แบบไรเตริมไม่เข้าถกันเรียกว่าชีวิตที่ไม่มีสาระเพราะนั้นโบราณท่านบอกถ้าไม่ใช้คําว่าชีวิตที่มีสาระท่บอกเติมนิดหน่อยไม่มีสาระแก่สารก็อันเดียวกันเป็นคำสั้น สาระคือแก่นสารก็คือแกันนั่นแหละไม่มีแก่นสารคือไม่มีสาระแต่พูดจาจาคือไรสาระถ้าพู ด, บบะพดบบจะมีจีโกโถ้าใครพูดอย่างนี้กับเ ร, เราก็จะโปรธหรือที่เราก็ไมรู้ความหมายในทางธรรมนั้นถ้าเรายังไปเข้าถึงแก่นก็คือธรรมะอย่างแท้ จ, จริงแล้วก็จะอยู่กันอย่างนี้ใช้บ้านใช้เมืองทั่วไปใช้ชีวิตมันจะเป็นเรื่องโรภเรื่องธรรมในบ้านหนึ่งวัดเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้ สุดทางก็ได้เป็นสัญญาจําได้ไหมรู้มันก็แค่ประณากันไมได้สุดท้ายก็อาศัยสัญญาทามาหารกินทะเลาะกันก็ใช้อย่างนี้เราจะพูดจะยกขึ้นมาก็ใช้แค่สัญญาช้างม้าวัวควายหานเฮียหมูหมาแกะไก่นันเป็นเป็นชื่อสัญญาเอาชื่อนี้เราพอใจไม่พอใจอมาว่าใส่กันมาเปรียบเทียบปู่ประวัติเพื่อเพื่อความได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเกิดความเจ็บใจ ซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อนไรมันก็สุดท้ายมันไม่ใช่คนคุยกันอนะจา่ายั้นไอ้ไอ้ชาติมาไอ้หน้ามาไอ้เหี้ยต่างคนต่างเหี้ยเลยเพราะนั่นเขพูดว่าเหี้ยตอนนี้ก็พูดไงสุดท้ายเหี้ยสองตัวคุยกันมันไม่ได้เป็นค น, นะนะอะไรไอ้ความเป็นคนหายไปลืมหรือว่าตัวเองเป็นคนแต่นะว่าไอ้ควายเอาแนละ้วพอควายมันก็สะดุงหนละั แต่ทั้งตัอก็มาเดินควายพอเกิดรับกันมาโกรธกันมาก็แสดงว่าเราก็เป็นควายสุดท้ายกับควายทั้งคู่อย่าไปโทษคนเราเป็นควายก็응เราย่ารับตัวเองมันมันตลกนักคนเราแต่ถ้าเป็นสมมติเราเรียกชื่อคนสมมติไอแดงถ้าเราไม่ได้ชื่อเดิมเราก็ไม่ได้โดนอะไรเราก็ไปแดงหนันกับบริษัาไปเพราะเราไม่ได้ชื่อเด็กแต่บอกไอแดงหันข้าไปแสดงว่า จำชื่อตัวเองได้ออยอมทำนี่เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ควายทํางทางนี้ไม่ได้เป็นควายมันควับไปทันทีก็แสงดง ว, ว่าเราแรกควายไปโทษใครไม่ได้ไอ้ไหมอย่างนี้เราเรียกอยู่เแบบปือดๆจนไม่เข้าใจสุดท้ายก็สิ่งนี้สุดท้ายเกิดเข้าโกรกขึ้นมันความโกรกก็คือความร้อนก็คือไฟธรรมชาติของไฟมันเกิดขึ้นที่ไหนไมันไหม้ที่นั่นไม่มีเย็น ไอ้เรื่องทีกว่าไฟเย็นไปเย็นมันไม่มีอะสมัยเด็กๆเขาเล่นกันจุดหอไม่ขีดมัดใส่ท้าบอกไฟเย็นมันไม่เย็นแบบไฟเกิดขึ้นที่ไหนทำไม่ใช่ของมันคือมันไหม้ไม่ยังไงจุดไม้ขีดเราเราจุดหอไม่ขีดปุ๊บเบิกกดไฟแชกปุ๊บไหมอันแรกคือไหมตัวเองจุดไม้ขีดติดหัวอะไรมันไหมตัวเองก่อนนะแล้วไปโยนใส่อื่นก็ไหมคนอื่นนะนี่คุณสมบัติของมัน สมบัติของไฟคุณนั่นสมบัติของความโกรธมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงที่มหม่ไหม้ทำไมที่มันยัต่อไปกับประโยชมันติดและก็ดับดับที่ตัวเราเนี่แหละคนอื่นก็ให้เดือดร้อนเห็นไหมแปลว่ามันเกิดแล้วก็ให้มันดับเกิดเร็วดับเร็วดีเกิดเร็ ว, ด, ร ว, ด, รวดับช้ามันก็ลุกลาม ตอนรของกลงลักษณะมันเป็นอย่างนี้ทั้งเกิดเร็วมันดับช้าลุลามไปแต่หนึ่งสอสามสี่หัวบ้านเข้าไปจนหมเป็นคณะสุดท้เป็นกลุ่มเป็นกล้องเป็นคณะใหญ่เป็นขบวนแต่ไมเ่เราเราเราปรท้วงกันไม่ใช่คนเดียวนะมันบอกว่าฆ่าม้านเดี๋ยวามหลังมาฆ้ามันฆ่ามัน ผ, ผนู้นำตะโกนคนหลังตะโกนตะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้ โกรธตั้งแต่เช้ามาไหนก็ไม่รู้ผมนะเมื่อตะมัวลักษณะของคนมันมักค่ามันปุ๊บมันเผาอะไรเที่ตัวเองก่อนเืองควาโกรธความโกรธเราไม่เคยรู้จักช่วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็เปล่ารู้เห็นมาตลอดมีทุกวันเห็นทุกวันโดยเฉพาะอันนี้คือใจเราแต่เราไม่ดูเหมือนชีวี ถ้าเราไม่เปิดดูก็ไม่มีมันก็แค่จอธรรมดานี่เราไปหมุนปั๊บเนี่ยมันก็สารพัดที่อยู่ในนั้นมีทุกอย่างและแต่ช่องดิบไปช่องไหนอันนี้ไม่พอใจอันนี้ข่าวออกหมุนไปอันนี้ละครเอาไม่ชอบลงไปหรือก็ชอบวแช่อยู่ช่องละครโฆษณาพวกนี้เอาหมุนไปช่องอื่นอย่างนี้อยูตลอดเวลาลักษณะจิตลักษณะใจของเราก็เช่นเดียวกันไปเจอช่องไหนมันชอบมันก็จะเช่ จะคิดอย่อยางนั้นจะจบปรับโยกความคิดอย่างงั้นเพราะมันชอบแต่ว่าดีหรือเปล่าไม่รู้รู้ตัวเห็เนแล้วชอบเมื่อเห็นแล้วไม่ชอบะนะแต่มันแปลกรนะแต่เวลาทีวีเห็นแล้วไม่ชอบเราจะหมุนไปชอ่องอื่นได้แต่ใจนี่เรื่องที่มันไม่ชอบคิดต่อคิดอยู่อย่างนั้นคิดซ้ำซากมันจบไปแล้วจะเป็นละครก็มันจบไปแล้ ว, ล จ, บลวจบตอนลันก็ไม่คิดเอามาเปิดไป ดีวายฟังดูอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปโทษใครโทษทีวีทีวีมไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราอปิดมันก็จบมันก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันจิตของเราเลยอยู่เหมือนกันเราไปเปิดชีวิตมันเมื่อไหร่มันก็ติดจิตมันก็แสดงเรียกว่ากึญยาอาการของจิตมันเป็นธรรมชาติของเขาเพอ จ, จิตปิดจิตปุ๊บมันก็คิดปรุงแต่งไปตามที่เราสั่ง เราจินตนาการคิดว่าไรคิดออมาเป็นภาพออกภาพคิดเกี่ยวกัโง่ออกมาเปโง่คิดเกี่ยวกับหลงออกมาเป็นหลงคิดชอบไม่ชอบผู้หญิงผู้ชายอดีตอนาคตมันคิดได้หมดอ่ะมันกำหนดได้หมดแต่ว่าเราไม่มีสติปัญญาตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเห็นแต่ไม่รู้ดูแต่ก็ไม่เคยจาสุดท้ายก็ซ้ำซากซ้ํากอย่างนี้ก็จะเหมือนดูทีวีชอบตรงไหนก็จะดูตรงนั้นชอบเรื่องไหนก็จะดูตรงนั้นอาหารก็เหมือนกัน เราชอบอาหารไหนก็จะกินอยู่ตอนนั่เหมือนเดิมอ่ะมันไมเคยเปลี่ยนแปลงมันชื่อก๋วยเตี๋ยวว่าชื่อน้ขนมจีนชื่อข้าผัดหมูกระเพราอะไรก็ชื่อเดิมเรื่องเดิมอย่างเด้อแล้วกนเข้าให้ใหม่แต่ก็ออกมากินเด้ใหม่แล้วก็ออกมาอย่างนี้เหมือนกันความรู้สึกตัวคิดปรุงแต่งของมนุษย์เราคนเช่นเดียวกันเรากินเราเสพเราบริโภคอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เราก็ได้แค่เออชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบแต่ไม่ได้สติปัญญาจัดสิงเหล่านี้เลยนั่นความหลงพ้นที่ออกนอกขอบเขตสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะเราอยู่แค่นี้อยู่กับชอบไม่ชอบจมอยู่อย่างนี้นในแ เ, เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับจิตกลางดาหาต้องออกไม่ได้นี่คือสัญญาซึ่งต่างกับปัญญาปัญญามันก็บอกกัแล้วก็เมันกับแสงสวา่างที่กระจัดความมืด ประกอบอยู่ในใจของเราทำให้เราเห็นมองอย่างชี้ชัดอยู่ในางในมีอะไรสะสมปนเปย์ผสมอยู่ในนั้นมันก็จะแยกกันออกว่าอะไรคืออะไรเหมือนอาหารอยู่ในจานแล้วมันเคยแยกเราผัดกะเพรากะเพรา อ, อ, อะไรก็ไม่รู้สุดท้ายมันอยู่ด้วยกันกะเพราก็ อ, อ, อยู่ด้านหนึ่งเนื้ออยู่ด้ข้าวกไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไปรวม ก, กันอยู่ในทอ้องมันก็ไไปไหนรวมจะได้ไปไหนก็มาได้คิดต่อ เพราะปัญญาเราจะเพาะเรื่องใดอย่างหนึ่งแล้วก็จบแค่นะั้นไม่ได้คิถึงที่มาที่อยู่แล้วก็ที่ไปของมันมันจึงแก้ปัญหาชีวิตของเราไม่ได้นั่นก็แปลว่าเราตอบโจทย์ต่อบปัญหาชีวิตของเราไม่ได้ชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วยปัญหาตลอดวันทุกทุกวันเพราะเราไม่แก้เพราะเราไม่ตอบโจทยนะ์มีปัญหาอทีมันก็มันก็ต้องมีทาคำตอบให้ได้แต่เราไม่ตอบ ปรญหาหนึ่งตอบไม่ได้ปรญหาที่สเข้ามาอีกแล้วสองสาสเป็นร้อข้อถ้าตอบไม่ได้สักข้อหรือไม่ตอบเลยเปรีว่าอะไรถ้าเป็นนักเรียนรเราจะเรียกว่าอะไรถ้าพูดยังไงก็ไม่ผ่านะมัน เ, เกินเกณฑ์มัเกิน50ิบยังไงก็ไม่ผ่านแต่ห้สาสามมาิบห้าสิบเอ็ดถ่าสอบห้าสิบงดีอย่างไรน้ายก็จะในห้1นึ่งไปยังดีแต่ถ้าต่ำกว่านั้นหรือตอบไม่ได้เลยหมดเลยนะศูนมันไม่ได้คะแนนคือตก แต่ว่าชีวิตเราก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆหาคำตอบไม่ได้เฉะนั้นให้พเราตั้งใจเลยหาครัตบตอบจากตัวเราเองว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรเราต้องรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เราคิดอะไรพูดอะไรคิดดีพูดดีคิดไดีพูดไดีเรารู้อยู่ใส่ใจ ค, คิดอย่างนี้นมันดีมันทํำหัวใจมันช่ำชื่นเบิก บ, บานคิดอย่างนี้มันโอหมันลาบานก็อย่าไปคิดต่อ ชอบนี้ไม่ชอบก็ไปดูช่องอื่นที่แต่ก็ยังดูอยู่คือคิดต่อไม่ชอบไอ้หน้าคนนี้ไม่ชอบวิญกันของคนนี้ไม่ชอบเราพูดคนนี้ก็ยังไปพูดอีกมันจบไปแล้วเมื่อวานก่อนสามสห้าเดือนสัปดาห์หนึ่งปีก็อยากกลับอามาเล่าใหม่ดูเห็นไหมไม่ให้มันจบอ่ะมันก็ไม่จบสิมันก็มีพูดอะไรเรื่องแล้วใครทุกข์อ่ะก็เรานะเขคิดไม่เป็นก็เราคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเรดับไม่เต็ม ก็จะไปโทษไรไฟมันเพราะมันจะร้อนเสมอถ้าฉุดมันจะคุณสมบัดขึ้นมันบอกว่าจุดไฟเบอร์โวน์อย่านะอย่านั้นอย่าไม่ได้ไฟมันติดแล้วมันก็ต้องร้อนร้อนมันก็ต้องไหมไหมใครไหมตัวเองก่อนแต่นไหมความคิดมันทําลายใครทำลายตัวเองก่อนคำพูดทําลายใครทำลายตัวเองก่อนพ่อมันอ่อนแกตัวเราก็จะรู้เออไอเจ้านี้มันคิดอย่างนี้มันพูดอย่างนี้มันทำอย่างนี้มันทําลายตัวเองนะถ้าคิดดี ไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะทำลายก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าแทนที่จะมีเครดิตมีคนเชื่อมีคนถือมีคนตัหน้าตือตา ม, มีคนให้เกียรติตรงกันข้ามไม่มีค่ามีราคาเลยถ้าเป็นสินค้าก็ว่าโอ้ฮโล มันใช่ไม่ได้แล้วมีใครอยากจะใช้ไม่มีเพราะเขาไม่มปเป็นคนเอา้าขาก็มีราคาจิงแจเราเช่นเดียวกันแเราไปคิดอย่างนี้อยูบอยบอย่บ่อยๆพูดบ่อยทําบ่อยๆเสเดนเียอย่างนี้เราจะเป็นคนที่ไม่มีราคาแรงเลยในสายตาของคนอื่นเขาเด็นั้นอย่าไปหวังเลยว่าจะได้ความ สักระสัมมาณะจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคณาวาสยาจนหรือพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติตัวอย่างนี้ก็คือปฏิบัติกาย ว, วาจาใจอยู่เดิมๆดื้อเดิมๆทั้งเดิมเยี่ยงเดิมเหรียญไม่มีทางที่จะรับสักระสัมมาณะซึ่งแต่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราถึงแม้ลุ่มลับดับขันไปแล้วเราอยากกราบสักระบูชาคุณของท่านเพราะอะไรเพราะท่านมีค่ามีราชาง แม้ปัะ จ, จุใส่ทองเหลือทองแดงทองอะไรก็คอย่ามาห้อยคอเพราะโดยคอมีค่ามีราคาดังนั้นขอจะมีค่าจะมีราคาแต่อยูที่ตัวเราหรือที่เราทําตัวเราเองทําตัวให้มีราคา่ามีราคาหรือเปล่าหรือทําให้ตัวไร้ค่าคนที่ทาตัวไร้ค่าก็คือคนที่ทําตัวไร้สาระไร้สาระก็คือไม่มีแก่นไม่มีสารอยู่กับเปลือยอยู่กับกระพี้ไปวันวันก็นคแค่เฉย ประโยชน์กายในส่วนที่สารคือใจของต้นไม้แก่นของต้นไม้ตัวนั้นสําคัญแก่นนั่นเองคือธรรมะของพระพุทธองค์นอกจากธรรมะแล้วไม่ใช่ว่าแก่นเจอเปลือกอกระพี้นั่นนั้นมันเราปฏิบัติตัวเผิดทาปิดวิธีการปิดเราก็ได้แก่ปกเปลือกกระพี้เปลื อ, ก อ, กอกแก่นสกเก็ตเดี๋ยวก็ตกไปเปลือกพอเรา อ, ออกมันก็หมดไป แต่ตัวที่อยู่ก็คือแก่นของมันแต่กันไม่อยู่หมายว่าต้นไม้แก่นอยู่ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้เคยตายความสําคัญของธรรมะความสำคัญของชีวิตจริงๆอยู่ตรงนั้นดังนันในอนาคเราต้องฝึกต้งหัปฏิบัติต้องก่อให้ปัจจัปจจัรู้ให้เข้าถึงแก่นให้ได้อย่าไปสนใจเรืเปิดเรื่องกระพี เร okay? hey, ื่องเกิดความต่นหมายมันเรื่องนั้นมาเรี็วอะไรสาระไม่มีสาระเลยแต่สาระจริงคือธรรมะจะใครไม่ปฏิปทาบุคคลนั้นชื่อว่าไร้สาระเออมีมีสาระเลยในชีวิตนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยจะเข้าไม่เข้าถึงแก่งไม่ได้เลยตัวพี่หลุดไปจบแต่จันทร์นั่นคือธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั้นอย่าให้ผู้เราทั้งหลายใช้ชีวิตโดยอาศัยสาระธรรม ฝึกแกนของธรรมะอันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอัดฝึกการคิดทารทำปรปับปรุงเปลีป่ยนแปลงพัฒนาตัเองให้มันดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆเวลาทุกขณะอย่างนี้เรียกว่าไม่ต้องลงตุนลงแรงเลยอย่างนี้เราเรียกว่าวิธีสร้างปุนสรคือสร้างให้ใจเรามันฉลาดฉลาดพูดการคิดฉลาดทำแล้วคนอื่นเราก็จะฟังใจ ต, ตัวเราก็จะไม่ร้อนจะไม่เดืออจะไม่ร้อน แต่ถ้าแทบไม่มีสิ่งเหล่านี้ลักษณะของมันเดี๋ยวก็เดือดเดี๋ยวก็ร้อนพรเดือดแล้วมันต้องร้อนร้อนมันก็ต้องเดือดมันนีไม่พ้นเพรนั้นอย่าไปจุดถ้าเราไม่จุดมันก็ไม่เดือดมันก็ไม่ร้อนเหมือนกับน้ําน้ำหยิ่งเฉยร้อนก็ไปต้มมันน้ําสุกน้ําธรรมดาธรรมดาถ้าไปใส่หม้อแต่อะไรถ้วก็อไฟเผาน้ำเย็นธรรมดากลายเป็นน้ําร้อนทํายังไงถึงหายร้อนระต่างหยิ่เฉยอย่าไปจุดไฟตับไฟเสีย ตั้งไว้ก็ได้ของที่มันร้อนอยู่ไม่ก็ค่อยเย็นเย็นย็นแล้วก็ดับนั่นคือคำว่านิผ่านนิผ่านแปลว่าเย่นแปลว่าดับกายมันดับวาจามันดับเในดับคือกายมันย็นวาจามันเย็นใจมันเย็นเอาพื้นเย็นแล้วมันก็จบหมดเลยตรงนันเราไม่ใช่อย่างนั้นกายมันยังร้อนอยู่ เาจะร้อนอยู่ใจมันร้อนอยู่เพราะเราเอาไฟไปจุดไปเผาไปหลนมันมันก็เลยร้อนเพราะนั้นทําได้จะทําให้มันร้อนก็ได้ทําให้มันเย็นก็ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าอยากให้มันร้อนกับเขาทุกวันพอมทุกขณะนับรอง แม้แต่เนื้อดิบๆมันยังสุกเลยอาหารธรรมดาเนื้อดิบๆเราไปเผาไปต้มไปแกงมันไม่ถึงสุกเลยคห็นไหมว่าสุกแม้มันก็พองเราคำว่าสุกสุกกายเรสุกขาดยังไงมันก็สุกกาดเป็นที่ต้องการอะไรพวกนี้นะมันข้ามกับมันมันสุกคือมันดิบถ้าใจเราดิบวัจจัยดิบกายดิบมันก็จะเป็นอย่างนี้มันกินไม่ได้มันไม่มีใครทำตารกอนดิบๆอย่างเนี้ยมันใช้ไม่ได้ฝึกหัดบุบลมอมนิสัยของเราให้มันสุกให้มัน แต่ที่ต้องการของตลาดเป็นทีการของคนเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราที่ท่านได้ฝึกหัดพัฒนาบุคบุคลนิสัยของตัวเองกายวาจัใจท่านจบบริบุญแล้วก็เป็นที่ต้องการสมควรแต่การกราบคันไหวสักกาบูชาสมควรแต่กันได้สักการสัมมนาโดยประการทั้งปวง สารธรรมที่ฝากพวกเราทั้งหมดอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราถ้าเราได้เป็นนึกไปคิดไปตรึงเ ป, ไ ป, ไ ป, ไป็นพิจารณาและปฏิบัติแล้วมนดีขึ้นกายเราก็จะเย็นว่าใจก็จะเย็นใจก็จะเย็นเป็นสิ่งที่เป็นประสมของทุกคนขอทุกคนได้มีความสุขของพริ่มเย็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนเถิด